มันก็อยู่ในเนื้อในตัวเรานะั่นแหละหนีไม่พ้นแล้วปัญหาข้างนอกที่มารุมเรากับปัญหาข้างในที่ต้อนรับ <c oughs> ก็เลยดิ้นไม่หลุดแต่เรามีธรรมะเอาไว้แก้ไขมีไว้แก้ปัญหาตรงนั้นให้เริ่มต้นที่จิตทิใจเราเพราะปัญหาสำคัญเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งภายนอกหรอกมันเริ่มต้นท่ใจเราต่างหากมุมมองของใจเราเนี่ย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 บางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางแห่งถึงกับฆ่าตัวตายเพราะปัญหาชีวิตเนี่ยมีนะเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีคนญี่ปุ่นมาหาที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมได้ฟังว่าญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นมหาอำนาจในด้นานาเศรษฐกิจแต่อัตราการฆ่าตัวตายก็มีเยอะเพราะวเศรษฐกิจนี่มันตกต่ำมันพลิกผัน คนตกงานในญี่ปุ่นแล้วก็ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการไม่แปลกคือ <c ười> กระโดดเหวตายแต่มันแปลกที่ว่าทําไมเขาถึงกระโดดเหวตายเขาพากันไปกระโดดเหวตายที่ภูเขาไฟฟูจิแล้วก็บอกว่าที่กระโดดเหวตายตรงเนี้ยจะได้ไม่ต้องให้คนที่อยู่ด้านหลังจะต้องลําบากไนะก่อนตายยังห่วงเรียบร้อยจัดการไว้ไม่ต้องทําอะไรเขา เนี่ยเขาลงไปแล้วไม่เอาไปหาขึ้นมาแล้วมีเยอะด้วยอันนี้ได้รับฟังจากคนญี่ปุ่นมีเยอะด้วยแต่เมืองไทยก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะ <c oughs> อนาคตก็ยังไม่แน่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ทางนั้นแต่ในทางตรงข้ามปัญหาที่เราเห็นทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่บางคนเนี่ยนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ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 ว่าไม่ใช่ธรรมะนั่นแหละคือธรรมะที่ไม่ใช่คำพูดมันเป็นไปได้นั้นสำคัญด้วยว่าการเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเราจะเผชิญด้วยจิตแบบไหน <c ười> จิตที่ขาดธรรมะก็จะมีแต่ความทุกข์มีจะเรื่องท่อแท้ใจมองปัญหาต่างๆเป็นแง่ร้ายไม่ยอมรับกับปัญหา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 ก่อนจะเข้ามาผมดูก่อนมีคนฟังหรือเปล่าถ้ามีคนฟังเอเข้ามาได้อย่าเพิ่งเข้ามานั่งก่อนเดี๋ยวว่าเห็นผมนั่งแบบเนี้เขาไม่ฟังแล้วมันต้องดูจังหวะและแค่เข้ามาพูดทุกอย่างดูจังหวะปัญหาและเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องมองปัญหาแบบคนมีธรรมะนี่ผมกล้าพูดว่าที่เนี่ยมีธรรมะทั้งนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยจิตใจไม่ฝักใฝ่ธรรมะเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาฟัง เป็นบุคคลที่มีจิตใจฝักใฝ่ธรรมะมองปัญหาเป็นแบบเป็นเรื่องธรรมดาเพื่ออะไรเพื่อรักษาจิตใจเราให้เป็นปกติสุขภาพจิตจะดีเนะมันก็มีความสุขมีความเบิกบานปัญหาทำให้จิตเบิกบานได้เชื่อไหมการรู้ความจริงของสิ่งนั้นทำให้ใจเรามีความสุขความสงสัยทำให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะได้คำตอบนั่นงา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 เนี่ยเพราะนั้นแม้แต่การปฏิบัติธรรมการเจริญสติก็ต้องอาศัยการวางจิตวางใจใถูกต้องถ้าเราวางใจถูกต้องแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็ไม่ลำบากเห็นผลได้ไวถ้าเราวางใจผิดเรื่องง่ายเมื่อกลายเป็นเรื่องยากปฏิบัติก็ยาก เ, เกินเหลือเกินหน้าดำค่ำเคร่ง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 เริ่มต้นนำร่องด้วยจิตที่มันเป็นปกติทั้งฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมพวกฐานเราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งให้สติเข้าไปตั้งรู้เข้าไปตั้งรู้นะอย่าเข้าไปอยู่คาว่าตั้งรู้นี่ก็คือรู้อยู่กลางรู้อยู่เฉยๆด้วยใจิตใจที่ปกติเมื่อพลิกมือสติรู้อันเนี้ย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 ลงที่รู้ด้วยจิต ท, ที่เป็นปกติไม่ต้องยินดียินายรู้เฉยๆก็อยู่กับปัจจุบันกับความคิดคือรู้ที่ความคิดก็เป็นปกติแล้วก็เป็นการปฏิบัติแล้วไม่ว่าจิตมันจะคิดเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเมื่อมันผุดขึ้นมาในจิตใจสติตั้งรู้ขึ้นมาปั๊บจบอย่าปล่อยให้มันปรุงต่อถ้าถันาปรุงต่อแล้วเราจะต้องรู้ต่ออีกยาวไกล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 โอ้จิต น, นี่เขาโปรงมากเลยเขามองเห็นอดีตอนาคตว่าอดีตอนาคตจะมีแต่การปรุงแต่งปัจจุบันนี่มันไม่มีอะไรมีแต่รู้เฉยๆปลื้มไปหลายวันก็กลับมาทิง้งเดี๋ยววันนี้โอ้ไม่เหมือนเดิมจะแล้วถูกความคิดมันไหลเทมัมนไหลเทมามันย่ํายีจนจิตใ จ, จเนี่ยตั้งตัวไม่ติดและทํายังไงก็ไม่หายทําไงความคิดก็ไม่หาย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 พยายามไปห้ามให้มันเกิดขึ้นทำไงให้มันว่างเหมือนเดิมนั่นแหละคือความคิดที่มันซ้อนความคิดไอ้ความไม่ชอบความไม่อยากนั่นแหละแล้วมันจะหายไหมความคิดแบบ น, นั้นน่ะมันก็จะปรุงแต่งไอ้ความคิดที่ไหลเทมามันจบไปแล้ววางใจไว้ผิดวางใจไว้ว่าจะขจัดความคิดไม่ชอบความคิดไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่แม้ว่าการเจริญสติที่จะมีความคิดปรุงแต่งมากมายไม่เป็นไรนะปล่อยให้มันคิด เรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือมารู้สึกตัวใช่ไม่มเนี่ยคือหน้าที่อุป บ, บัคือกลับมารู้สึกตัวทําแค่หนึ่งเดียวอย่าทำสองคือห้ามความคิดอันหนึ่งแล้วก็มารู้สึกตัวอันนึงเราทำสองอันมันเหนื่อยมารู้สึกเตือนเดียวทิ้งความคิดไปอีกเส้นหนึ่งเลยไม่ยังกลับเราขับรถเห็นไม่มขับรถอยู่วนถ น, นนเนี่ยที่มีสองเลนเนี่ยเลนหนึ่งมีรถวิ่งสวนมาเราก็วิ่งสวนไปอีกเลนของเราเนี่ย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 ด้วยใจที่เป็นปกติไม่ต้องยินดียิน้ายมันก็ปลอดภัยคนละด้านของความคิดจะไปคิดออกจากความคิดนะั้ไม่ได้หรอกเรามีตัวปฏิบัติเนี่ยเอากลับมาจับหลักอยู่ทการเคลื่อนไหวนะจิตที่มาเจตนารู้กับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับความคิดนะความคิดมันก็ปรุงแต่งแบบเกอ้อเขินไปแล้วมันก็ดับไปเองเอรู้ตรงนี้ก่อนเบสิก แล้วต่อไปพอรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนา น, านแล้วจิตมันจะมีพลังมันจะเข้มแข็งมันจะมีพลังสามารถที่จะเห็นความคิดได้แล้วก็เห็นกายที่เคลื่อนไหวได้ด้วยสติรู้อยู่เฉยๆเห็นจิตที่มันคิดเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวแบ่งขันเป็นกองกองกองของกายกองของจิตและกองของผู้รู้โอ้มันจะแตกฉานก็อีกถ้าวางใจถูกต้องจะเป็นอย่างนี้ ที่ปกติด้วยการวางใจประกอบด้วยสตินั้นมันจะเห็นกิเลสที่มาปรุงแต่งนี้ชัดเจนเห็นกิเลสเข้ามาชัดเจนเห็นกเกลืที่เข้ามาปรุงแต่งในจิตเราชัดเจนมันเหมือนอย่างกับน้ําที่มันนิ่งและก็ใสเราสามารถเห็นอะไรอยู่ในน้ําได้ชั้นไรก็ดีจิตที่เป็นปกติและประกอบด้วยสตินี่คมันเห็นกิเลสแบบนั้นน่ะเอ่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 จิตที่ปกติประกอบด้วยสติเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้นะแต่มันไม่ใช่ยากนะยากเพราะเราคิดว่ามันคงทําไม่ได้ลองจะเลิสติไปเรื่อยๆจะลิศสติไปเรื่อยเนี่ยพอจิตมันตื่นแล้วก็มันจะเห็นทุกอย่างที่มันกบดานอยู่ในจิตใจเราพอจิตตื่นแล้วก็นําปัญญาออกมาเห็นมันจะเห็นแจ้งเห็นความไม่เที่ยงกับสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตเห็นความที่ไม่ใช่ตัวตนของจิตผู้รู้นะ มันอยู่ในวงเวียงของตายรักทั้งนั้นอ่ะอย่าท้อแท้นะการจรรติก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี้แหละจิตจะเป็นอิสระเหนืออารมณ์ต่างๆอิสระคือจิตที่เป็นปกติไม่ยินดียิร้ายแต่ไม่ใช่ว่าห้ามความยินดียินร้ายจิตที่ปกติประกอบสตินั้นเนี่ยเมื่อมีอารมณ์ชอบใจพอใจมากระทบเพราะว่าที่เป็นปกติอย่างเนี้ย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 มันซ้อนกันอยู่เรื่อยๆรื่ย ๆ, ๆจนกว่ามันจะหมดเหตุหมดปัจจัยไม่ยากนะไม่ยากการปฏิบัติเนี่ยให้เราจะไปเป็นเลื่อกจากเล็กน้อยเนี่ยอย่าไปมองคนอื่นว่าทําไมเราทําไม่เหมือนเขาทําไมเรามันเป่าล้านปีแล้วเกินเต่า น, น, นะมันคลานแบบมั่นคงหรือว่ากระตายที่ประมาทวิ่งไปแล้วก็ไปนอนค่อยๆไปพลิกมือรู้สึกโอ้ได้แล้วหนึ่งคะแนนน ย, ยกมือรู้สึกโอ้ได้อลกหนึ่งคะแนนเห็นไ่ม มันปวดรั่วปวดรู้สึกได้หนึ่งคะแนนมันปวดทำไม่ได้ขยับรู้สึกได้คะแนนมีแต่เก็บเกี่ยวคะแนนเวลามันคิดนี่มันคิดรู้ทันได้หนึ่งคะแนนมีแต่การเก็บนนคะแนนการ valid. ปฏิบัติธรรมมีการเก็บคะแนนเก็บคะแนนไม่มีการเสียคะแนนแต่เราเอ๊ะทำไมทําไมเราจึงคิดทําไมมันจะเสียคะแนน <c oughs> ใจเย็นนะการปฏิบัติจะไม่มีการถอยหลังมีแต่การเดินหน้าเรื่อยๆ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 ศาลาหน้าเป็ศาลาใหญ่ชิดใกล้ประตูทางเข้าและใต้คุณศาลาเนี่ยมันเปียอากาศดีมันโปร่งมันโล่งเขาก็มักจะไปเดินจงกรมันที่นั่นเธอก็เดินจงกรมอยู่นั่นแ่ะเดินตั้งใจมากเลยก็มีญาติธรรมคนหนึ่งก็เข้ามาก็ เ, าเห็นนะ่าผู้หญิงเดินจงกรมอยู่คนเดียวหน้าตาดีด้วยนะก็ไปถามเอาถามแล้วก็ได้คําตอบก็ลกลับไปเดี๋ยวมีคนใหม่มาถามอีก ก็มันแปลกอ่ะผู้หญิงเนี่ยมันเดินจงกรมอยู่คนเดียวนะใครมาก็สงสัยใช่ไหมเขาก็ถามแกล้งหงุดหงิดมากเลยไม่อยากให้ใครมาถามอยากจะวิเวกอย่าอยู่คนเดียวอย่าปฏิบัติอยากจะเจริญสติไม่อยากให้ใครมาถามมีให้พวกเราเวล า, วาปฏิบัติไม่อยากให้ใครมาถามก็บอกว่าเอา้าก็คุณไปเดินอยู่หน้าบานอย่างนั้นอนะ่ะใครเห็นก็ต้องถามสิ เขาถามไม่ถามเปล่าเขาถามเรื่องส่วนตัวด้วยมีปัญหาอะไรหรืออกหักรักหายหรือเปล่าทําไมมาปฏิบัติผู้อีกตัวเล็กตัวคนเดียวเขาถามเรื่องชีวิตส่วนตัวอ่ะเราไม่ต้องตอบเขาก็ได้เบอเราไม่ต้องตอบก็ได้เราก็บอกเรามาปฏิบัติทำมาเจอสติเนี่ยมาดับทุกข์เราไม่ต้องพูดมากแล้วถ้าเราไม่ย้ายไปที่อื่นนะเราก็พูดน้อยๆพูด ท, ที่จําเป็นแล้วก็ ป, ปฏิบัติต่อไปเขาไม่ตือ้อหรอก เอกะเขาถามเราไม่ตอบได้ ย, ไยังไงมาเถียงอะไรเขาถามเราเราไม่ตอบได้ยังไงเราไม่จะไปต้องตอบทุกคำถามก็ได้เขาก็สงสัยพวกอะไรวะถ้าเขาถามว่าคุณนุ่งกางเกงนสียอะไรคุณจะบอกเขาไหมเพราะเออใช่นะบางคำถามไม่ต้องตอบก็ได้เพราะมันไร้สาระใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติแบบเครียดในธรรม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 ก็เข้าใจเอาบ้างคําพูดบางคําเนี่ยเขาสื่อกับเราเนี่ยอาจจะเราสื่อกับเขาแล้วเขาสื่อกับเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจได้ก็เข้าใจไปเถอะอย่าไปบอกว่าเธอใช้คําพูดที่ผิดแล้วบ้างคำนี้พวเนี้ยจะเครียดมากนะ <c oughs> จะเป็นทุกข์มากบางอย่างเอาตัวผิดไม่ได้พวเนี้ยเครียดในธรรมก็ยังมีพวกหนึ่งอีกคนนึงเนี่ยโอ้อยู่ในวัดเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากวัดปลาสโกุโตเหมือนกันได้เจอหลายรูปแบบเพื่อมาเป็นตัวอย่างเนี่ย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 ก็ยังไม่ถูกต้องวางใจไม่ถูกต้องไอ้คนที่สอนนี่ก็เหมือนกันนะผูนี้โอ้โหฟุ้งในธรรมไม่เจริญในธรรมปฏิบททัติไปไปไปก็เที่ยวสอนเที่ยวเทศปล่อยไปทั่วเนะกลุ่มไหนไปไปเข้าไปเทศสอนแต่พู้ือไม่รู้หลักเด็กมาก็สอนเด็กคนบ้ า, ม า, บามาอย่างสอนเลยสุโ ต, โตมีคนบ้าก็สอนคนบ้าจรรยาติคนบ้ามันก็ฟังนน่งดิ พอฟังเสร็จมันก็ขอตังค์ซื้อบุหรี่พวกเนี้ยโบดไปทั่วเนี่ยฟุ้งในธรรมก็วางใจไว้ไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มนิดน่าสนใจมากโอรับฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเอาจริงขาจังเนี่ยเป็นกลุ่มปฏิบัติมาจากที่อื่นเข้ามาหลายคนฟังพ่อมเขียนเทศเรื่องการเจืนสติพ่อจะเทศสอนว่า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 บอกก็เลยยกตัวอย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเจริติแบบเคลื่อนไหวยกมือนั่งยกมือสร้างจังหวะยกมือไปยก ม, มาเนี่ยแมงป่องมันออกใส่ขาตกใส่ขาปับ๊บปกติหลวงพ่อเทียนเนี่ยเวลาแมงป่องตกใส่ขาท่านจะปัดวันนั้นท่านไม่ปัดท่านดูท่านเห็นว่าโอ้แมงป่องมันก็มีรูปมีนามไอ้เหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเนี่ยท่านเห็นรูปเป็นนามขณะที่แมงป่องตกใส่ขา ตัวท่านก็คือลูกคือนามแมงป่องก็เลูกเป็นน้ําเราจะไม่เบียดเบียนกันจับแมงป่องไปปล่อยก็เล่าให้ฟังเพื่อว่าให้เป็นตัวอย่างว่าอ๋อเราสามารถเห็นลูกเป็นน้ําได้นะตอนนั่งเจริญสติแล้วก็วางใจให้ถูกต้องให้รู้ใช่เฉยใแบบถูกต้องพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยไปดูโอ้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เป็นแถวเลยนะนักปฏิบัตินะดังนะนั่งยกมือรอเมื่อไหร่มดแดงจะหล่นลงมาแมงป่องไม่ได้ใจไม่ถึงมดแดงนี่เป่า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 รู้สึกด้วยจิที่เป็นปกติเริ่มต้นนำล่องจิตด้วยความเป็นปกติแล้วก็ในท่ามกลางที่ว่าเวลามีสภาวธรรมมากระทบให้รู้แบบจิตที่เป็นปกติสิ่งที่มากระทบมันจะไม่ปกติหรอกใช่ไหมแต่จิตผู้รู้เนี่ยปกติรู้เฉยๆเพราะสุดท้ายเนี่ยจิตที่ปกตินั่นคือที่ศูนย์การไปฏิบัติเลยนะคือเพื่อให้จิตปกติทั้งนั้นลงท้ายด้จิตที่เป็นปกติที่ศูนย์การปฏิบัติคือจิตที่เป็นปกติ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 ถ้าขับรถด้วยจิตที่ดีใจนั่นก็ประมาทมีโอกาสประสบัติเหตุได้ถ้าขับรถด้วยจิตที่เสียใจก็อันตรายขับรถด้วยจิตที่เป็นปกตินี่นแหละเห็นไหมมันจะสอดส่องดูแลั่วแดงงานการขับรถเพราะฉะนั้นจิตปกติเนี่ยทางานได้ดีที่สุดเลยการทํางานกับเพื่อนเราก็ตามถ้าทำงานกับเพื่อนเราด้วยจิตที่เป็นปกติไม่มีปัญหา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 อะไรก็หงุดหงิดไม่พอใจเนี่ยเทละ่าลานเข้าไปทั่วนั่นแหละคือความผิดปกติของจิตเขามีไหมแต่ละวันเนี่ยเพื่อนร่วม ง, งานเราเนี่ยไม้แตคนในบ้านเราก็ตามมันย่อมมีเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาภาวะที่เป็นปกติของจิตใจเราด้วยสติอย่าปล่อยให้ความผิดปกติของคนอื่นมาทําร้ายความเป็นปกติของใจเราด้วยสายสติมั่นคงรู้ทันว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นกับเรา พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้เราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์และมันทำงานอยู่ท่ามกลางความไม่ปกติของคนเนี่ยยางมีความสุขลิ้นงูลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่โดนเขี้ยวของงูนะอย่าไปเอาอะไรคนในโลกเนี่ยคนในโลกเนี่ยมีอยู่สามประเภทที่มองตัวเราประเภทแรกคือชอบเรามีนะบางประเภทไม่ชอบเราก็มีบางกลุ่มเฉยเฉยก็มี ที่เขาพอใจเราชอบเราก็ก็พูดดีก็ถูงเขาน ะ, อะไอ้บางคนที่ไม่ชอบใจเราเนี่ยก็นินทาว่าร้ายมันก็ถูกของเขาบางคนเฉยเฉยเฉยกับเราก็ถูงเขาอีกอเราก็ต้อ ง, ไ ม, องมไม่ต้องข้ามไม่ต้องค้านรักษาจใจอะไรเป็นปกติเข้าไว้ไม่เกี่ยวกับใจเราเดีย๋ยวฝากคีวเรืองเราไว้กับสายตาคนอื่นอย่าวฝากชีวเรืองเราให้กับปากของคนอื่นเราต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้น คนมองเราสามประเภทเนี่ยทาใจได้เลยเป็นเรื่องธรรมดามากไม่แปลกนะอย่างวันเนี้ยผมพูดในวันเนี้ยพูดในดจิตใจที่เป็นปกติไม่หวังอะไรไม่ต้องการอะไรมันเป็นหน้าที่พูดของผมคนฟังกนะ็เช่นเดียวกันฟังผมในจิตสามประเภทบางคนชอบใจบางคนไม่ชอบไม่มีตัวปฏิบัติเมรนมิพานเลยบางคนเฉยเฉยก็มีนะมันถูกของผู้ฟังทางนั้นแนะ่ะมันไม่เกี่ยวกับผม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 ุมองได้ใจเป็นกลางเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อรักษาสุขภาพจิตให้เบิกบานเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมะที่จะมาพูดกันว่าการมองโลกอย่างไม่มีความทุกขในการมองแบบคนมีธรรมะอาสาธรรมะเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตใครมีใจถามไหมอย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้หรือนะหลวงพ่อประโมเคยบอกว่าอะไร ใครที่ฟังซีดีของหลวงพ่อตื่นจนนับไม่ทั่วแล้วผมก็ขอคุยหน่อยนะใครที่มาฟังผมพูดนี่ลาออกจากความพิการมาหลายคนแล้วค่ะในขณะที่เราเจริญสติอยู่อะค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนะคะเออมันก็มีสมาธิบ้างไม่มีสมาธิบ้างจิตมันก็ยังคิดวกแวกไปข้างนอกอยู่อะค่ะแต่ว่าเราก็รู้รู้ตัวว่า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 เปรียบเทียบแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะมีความสุขได้ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เ, เพราะความสุขเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกา ย, เ, ยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะอย่าโมจะคิดหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ยสิ่งเก่าๆเดิ ม, เ, ดมเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คิดในแง่ดีหาทางออกหาทางออกอย่างน้อยก็ให้กำลังใจเขาแล้วเนี่ยบอกวิธีการออกจากปัญหาได้อาจจะยกตัวอย่างใครก็ได้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 มันคือแบบมันจะวนอยู่อย่างงั้นนะ่ะแล้วฝวดเทาแบบเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อัมาพาตเงี้ยปวดลงังแล้วลงขาหรือปวดแขนก็บอกทําไมต้องเป็นเขาทําไมไม่เป็นคนอื่นทําไมเป็นเขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนียก็จะหมกมุ่นกับตัวเองมากที่คนอื่นหนักับ่าเขาที่ซ้ําไปอหนูก็ชี้บอกว่าเนี่ย <c oughs> เป็นน้อยแล้วนะคนอื่นเป็นเยอะกว น, นี้นี่ยังกินข้าวเองได้ยังไม่ต้องใส่สายอะไรเงี้ยก็พยายามบอกแต่แบบมันก็จะแบบดึงกลับดึงกลับว่าอืมนี่ยอาจารย์แต่เขาก็ฟังนะ เขารับฟังแต่เป็นได้ว่าอาจจะ ด, ดื้ออาจจะตัวตนเยอะเป็นหน่อยเขารับฟังอยู่มีโอกาสเขาก็จะได้คิดแล้วเวลาที่สอนเขาก็คือสอนเขาเบื้องต้นก็คือกระดุกกระดิกหนอแงอาจารย์ก็ให้เขารู้สึกตัวสิหนูยังทำไม่ได้เลยอ่ะแลาต้อสอนอยังไง <c oughs> อาจารย์ยังทำไม่ได้อาจารย์สอนก็ยังไร <c oughs> เราต้องฝึกเราก่อน เอานะ่าทำหน้าที่อยา่าค่อยเต้นพี่แล้ก็ฝึกตัวเราให้จานานแล้วเราก็ไปบอกเขาจะเก่งจะช่วยแต่ร่างกายเดียวไม่น่าจะช่วยจิตใจก็ด้วยจะเก่งอย่างน้อยช่วยตัวเราได้ก่อนอาจารย์สอนเบื้องต้นหนุนหน่อยสิคะออเขาสอนก็นจะแย่ไปเรามาศึกษาดูเบื้องต้นการเจริญสติให้รู้สึกตัวเนี่ยเราศึกษาวิธีการเจริญแล้วก็ลองมาทําดูไม่ยากเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยแค่ถูนิ้วมือเลแล้วก็รู้สึกเบาๆมันก็มีสติเกิดขึ้นได้ง่ายๆ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 ขอบคุณค่ะอาจารย์จะไปลองทําเล่นๆดูใช่ทำเล่นเลครับสวัสดีอาจารย์นะครับครับก็อความรู้สึกคือเมื่อก่อนไปปฏิบัติที่วัตาสุขาโตครับแล้วก็หลวงปู่วรเทพสอนครับแล้วตอนนี้ไม่มีหลวงปู่ก็เลยรู้สึกเข่งขว้างครับเออครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่อยู่กับตอนนี้ก็เป็นคือมันจะรู้สึกเหมือน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 เนี่ยะหลักเกาะไม่ได้จะด้ว่าเราเจรติอยู่กับฐานกายยังไม่แน่นยังไม่ชนานาญให้แบบเราธรรมดาดีแล้วละ่ะนั่นคือสภาวะธรรมที่มันหลงครับแล้วก็กลับมาอยู่กับฐานกายเคลื่อนไหวไปตรงนี้ให้ชนานาญแล้วต่อไปจิตมันก็จะไม่ลอยมันจะมีที่เกาะถ้ามีที่เกาะแล้วเนี่ย ม, มีที่เกาะแล้วมันจะมองตรงไหนมันก็เห็นเห็นความคิดเห็นเวทนานการปรุงแต่งให้มีจิตมีที่เกาะสักหน่อย